ถ้าบำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วก็แสนสบายปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆก็ไม่ได้วิ่งเต้นไม่ได้ควอนควายผู้เขามีศรัทธาเขาก็น้อมนำมาถวายเองแล้ว่านี้นักบวชยังไม่จุใจ ยังไม่พอใจนี่แหละเรื่องของตันหาเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้านะทรงขีดวงจำกัดไว้ให้แล้ววันนี้มันก็ล้ำเส้นไปสาเหตุที่มันจะประพฤติพหมจรรย์ไปไม่ได้มันล้ำเส้นที่พระองค์เจ้าขีดไปให้นั่นแหละมันถึงเดือดร้อนกัน บางคนก็ติดบุหรีง่งอมแงมออกไม่ได้เพราะ่า อ, อันนี้นะความเป็นผู้ที่ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแล้วควรควรจะดำเนินตามล่องรอยของพระศาสดาและพระ อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติติดสอยห้อยตามพระองค์มาให้ทบทวนดูให้ดีในตำราในหนังสือประกายวิโรธได้ทบทวนดูหมดแล้วไม่ปรากฏว่าข้างวุทธเจ้านั้นมีญาติโยมเอาหมากปูหุรีไปถวายพระไม่มีเลยนะอ่า แสดงว่าคราังพระเจ้าท่านไม่สูบบุหรี่ไม่เคี้ยวหมากอะไรกันเลยเพราะี่เรื่องเงินอื่นยังมีเช่นน้ำปานะอะไรโมนี่ก็ยังปรากฏในตารยาอยูน่นะรถหมากบุรี่นี่ไม่ปรากฏเลยแสดงว่าท่านไม่สูกกันไม่เคี้ยวกันเลยเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะได้ศึกษาได้รู้แล้วก็ ตัดสินใจสละมันออกไปเพื่อบูชาพาธธระาทดาอย่างนั้นมันจึงถูกต้องจึงสมกับว่าผู้เลื่อมใสผู้นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆโดยที่เราพี่นาเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเนี่ยพวกองค์ทรงห้ามนะ ให้เข้าใจไอ้คนได้ส่วนมากมันไม่อยากทิ้งกิเลสไม่อยากละกิเลสอยากสะสมกิเลสไว้ในใจเพราะฉะนั้นจึงไม่ตัดสินใจดำเนินตามที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไว้แล้วทรงอนุญาต ถ้าผู้ใดเห็นโทษของกิเลสจริงๆแล้วเราศึกษารู้แล้วอย่างนี้เราก็บังคับตัวเองสิให้ปฏิบัติไปตามระเบียบที่วิเจ้า ว, วางไว้ถ้าปฏิบัติไปตามนั้นน่ะกิเลสมันก็แห้งลงจริงๆนะเราไม่อยากให้กิเลสแห้งบ้างเหลือนั่นแหละมีเมตชีบางคนน่ะ ชอบถูบุหรี่เอาเป็นชีวิตจิตใจเหมืนวะแล้วพระบางองค์ก็เหมือนกันเนะี่ยชอบถูบุหรี่เอาสจริงจังนี่นะไอ้อย่างนี้มันควรคิดนะควรพิจารณานะลูกเมียนะพ่อแม่เรายังเสียสละมาบวดได้บังคับว่าเราสมควรที่จะแต่งงานมีลูกมีเต้านะ่ะเราไม่เอาเนี่ย ก็ยังมาบวชยังสละความรักความใครอ่อ น, นั้นมามบรราบวชแล้วทีนี้มามเสียสละไอสิ่งเสพของเสพติดได้โทษอย่างนี้ไม่ได้นี่ลองคิดดูสิตั้งแต่กิเลสอันตัวสำคัญําคัญเนี่ยความรักความใคร่ต่งางๆนานาเรายังสละมันมา มันไม่มาสละของเสพติดในทั้งให้โทษด้วยนะให้โทษทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยอย่างนี้แล้วทำไมยังสละไม่ได้หน้าคิดหน้าถึงใจอย่างวันนั้นแหละก็คิดดูคนเรานี่นะจะว่ารักชีวิตของตัวเองก็หาไม่ ถ้ผู้ที่รักชีวิตของตัวเองจริงๆแล้วทั้งสิ่งใดที่รู้ว่ามันจะมีโทษต่อร่างกายจิตใจแล้วก็ต้องสละมันออกไปสิเพื่อตอนจะได้มีสุขภาพอนามัยดียิ่งอยู่เวลายัางหนุ่มแน่นอยู่นี่นะ่ะภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงดีมันก็ยังป้องกันโรคภัยไว้ได้อยู่ แต่สารพิษเหล่านี้นะแพทย์เขากล่าวว่ามันนอนเนื่องอยู่ในร่างกายนี้ได้นานน ะ, ะแต่มันยังไม่ทําพิษเพราะภูมิคุ้มกันมันยังข่มไว้ต่อเมื่อไดเมื่อภูมิคุ้มกันนี่มันอ่อนแอลงอร่างกายทุดโทรมลงไปอย่างนี้นะนั่นแหละ สารพิษต่างๆเนี่ยมันจะกำเริบขึ้นมาเลยมันได้โอกาสมันจะเที่ยวกินตับกินปอดกินกระเพาะลำไส้อะไรให้เสื่อมสมรรถภาพไปเลยอย่างคนเป็นโรคปอดอย่างนี้นะโรคปอดมันกินปอดส่วนใดส่วนหนึ่งตายไปเลยปอดส่วนนั้นนะ หมอผ่าก็ไปพบแล้วเขาก็ตัดทิ้งไปเลยอย่างนี้นะก็เพราะมันสูบบุหรี่มากดื่มเหล้ามากนี่แหละมูลเหตุมันไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นเราเป็นผู้ได้มีศรัทธามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่แล้วทั้งหน้าปวด ทั้งนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวหลือนุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมกจัดว่าเป็นผู้ประกอบพืชพรมจันเหมือนกันเรีว่าผู้ทําตนได้เป็นคนผู้เดียวอย่างนี้นะอย่างนี้นี่มันก็จัดว่าเป็นนักบวชแหละเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำสองพระเจ้าเรียกว่าเราปฏิบัติบูชาอืมอา้าฝืนความอยากเลยแหละตั้งแต่ก่อนนิสัยใจคอมันอยากสิ่งที่ให้โทษต่างๆมามันยังละไม่ได้อย่างนี้นะแล้วก็ตัดสินใจสลามันลงเอาตายมันตาย มันเราจะไม่ยอมตกเป็นทา่สตัณหาอันนี้ให้มันตายไปซะถ้ามันยังจะละตัณหานี้ไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจลงอย่างนี้มันจึงมันจึงเอาชนะตัณหาได้เรื่องมันนะเมื่อตัดสินใจลงไม่ได้ไม่ยอมตายเพื่อพระศาสนาแล้ว มันก็ละกิเลสไม่ได้เรื่องมานาดย๋ยว่าถ้ากิเลสจาง ก, กลางอย่างละเอียดเลยกิเลสอย่างหยับๆาบที่มันกัลละไม่ได้นั่นเนี่ยแล้วการนับถือบุญศาสตร์หนานี่เมื่อละกิเลสให้บาวางไม่ได้มันก็ไม่มีผลอะไรเลย ไม่มีผลคุ้มค่าที่เสียสละบ้านเรือนมาปฏิบัติธรรมบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆปฏิวาติว่าปฏิบัติธรรมไปๆไปแล้วกีเเลสบางอย่างบางนั่นก็หยาบๆนี่ก็ยังละไม่ได้บัดเวลามันสแสดงฤทธิ์ออกมานี่เอาแล้วทำให เกิดอาการกายวาจาวิปริตผิดจากธรรมดาไปเลยดังนั้นในพวกเราเมื่อได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆอยบนี่นะก็ควรจะตัดสินใจปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างเด็ดเตี่ยวเลยไม่ต้องกลัวทุกข์กลัวยากลำบากอะไร ความจริงก็ไม่ได้ทุกข์จากลำบากอะไรนะอันปฏิบัติตามคาสอนของที่เจ้านะสบายเสียซ้ำอีกอมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปลั่งเลอะไรแล้วในการฝึกตนในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราฝึกตนไม่ได้สอนให้อ้อนร้อนบวงสวง เทวาอารักต่างๆเลยทรงสอนให้ฝึกตน้นให้ทรมานตน้นเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นแล้วมันตั้งอยู่ในจิตนั้นอังนั้นเมื่อเราไม่ภาวนาไม่เพ่งจิตนี้ให้สงบระงับ ปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็มองไม่เห็นกิเลสที่มันซ่อนตัวอยู่ในจิตใจเป็นอย่างนั้นเพราะอาวิชชาตัณหามันหุ้มห่ออยู่จิตก็เศร้ามองขุนมัวจึงมองไม่เห็นเหมือนอย่างตาภายนอกนี่แหละถ้ามีฝ้าบังตาแล้วมองอะไรก็ไม่ชัดเลย ถ้าลอกว้าออกไปเสร็จแล้วดี๋ยวนี้ก็มองเห็นได้ชัดเจนเลยมันเป็นงั้นไม่ไม่ไมปิดบังฉันใดจิตใจคนเราก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเพิกอวิชชาตัณหานี่ออกไปแล้วจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วแล้ว มันก็มองเห็นความจริงของชีวิตได้ตามเป็นจริงเลยอะคือมองเห็นทุกข์ก่อนอื่นทั้งหมดเลยนะอืมเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ก็อย่างที่เคยได้สแสดงให้ฟังมาแล้วเรื่องทุกข์ ถ้าพวกไม่ประมาทนะไยๆก็รู้ทังนั้นแหละความทุกข์ในชีวิตแต่เนื่องจากว่ามันประมาทมันไม่พิจารณาเฉยได้ดิเนี่ยทั้งคนหนุ่มทั้งคนปานกลางและคนแก่ก็ทําเลยถ้าพิจนารณานดูแล้วมันเห็นทุกข์จริงๆนะแต่นี่มันไม่ได้พิจนารณานเลยอจึงกินพระเป็นเลนก็เหมือนกันเนะี่ย มันไม่ได้คิดได้อ่านชี้แจงนำทางให้ฟังแล้วก็ไม่เอาไปคิดไปกลองเลยเพราะฉะนั้นบวชมาแล้วมันถึงอยู่ไม่ได้ถูกอวิชชาตันหามันกรกเราเอาต้องตึกขาลาเพศออกไปทนทุกข์ทรมานเป็นทาสของตันหาต่อไป อ้างว่าไปทํางานหัวอย่างงี้แหละโอ้ยไปทํางานก็ได้เงินเดือนไม่เท่าไรหรอกพอใช้จ่ายพอสิ้นเดือนก็เงินก็หมดอ่แล้วก็ทํางานต่อไปก็ได้เงินมามาใช้มาจ่ายสิ้นเดือนก็เงินหมดอยู่นั่นแหละคนที่มีบุญน้อยวาสนาน้อย สะสมเงินทองไว้ให้ร่ำรวยมั่งมีเหมือนที่เขาตั้งลกตั้งหลากมานมนานแล้วนอะไม่มีทางเนะขาจะได้หากินไปวันวันเท่านั้นเองเนะี่ยว่าเงินเหลือก็อเหลือเพียงนิดหน่อยเอาเอเหลือมันไม่เหลือหรอกมีเงินมา้างๆม า, มาไม่มีรถที จะไปหาดาวเอารถมาคี่เอาเป็นลูกหนี้เขาดาวมาแล้วก็ต้องหาเงินใช้ดอกเบี้ยเขาทัางต้นทุนด้วยถ้าถ้ายังไม่ใช้ต้นทุนตับใดเอาดอกเบี้ยมันก็งอกขึ้นอยู่ตาบนั้นอออย่างนี้นะก็เป็นทาตของเขาอยู่นะั่นเองเป็นทาตของนายทุนนะอืม คนที่ไปดามอรรถอาราเข้ามาขี่เหมนนี่นะตนเป็นทาสของนายทุนเขาไม่รู้ทัวเลยอย่างงี้เนี่ยคนเราเงว่าแล้วปฏิ ญ, ญาาตนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีปัญญาเลยความจริงนะพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้คนเรามีปัญญาให้รู้จักคิดรู้จักอ่านอืม จนเมื่อมันคิดเห็นความทุกข์ความลําบากกากรรมอย่างที่ว่านี้แล้วตัณหามันก็เบาบางลงออืความอยากความทะเยอทยานต่างๆมันก็เบาบางลงมันก็ปรเพฤติพรหมจรรย์ไปได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามันมองมาเห็นทุกข์ภายนอกแล้วนะเออกิเลสตัณหามันก็ รบเราจิตใจเอาแล้วนะไปสึกษาพเพศน ง, งไปแล้วเราจะมีความสุขนะไปหาเงินนะทองได้เราก็จ่ายสบายสบยอืมตัณหามันกระิบเอาอะมันเป็นงนั้นเนี่สร้างวิมานบนอากาศในเมื่อบวชอยู่เราจะไปหาเงินแบบนั้นแบบนี่จะได้เงินมา พันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอะไระได้เงินมาก้อนใหญ่แล้วเราจะทําอย่างนั้นจะไปซื้อบ้านจัดสรรอยู่อาศัยบ่หรือน่าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาขี่นี่มันเรียกว่ามันสร้างวิมานบนอากาศอนักบวชเราเนี่ยอืมไอ้พูกพูดอยู่นี่ก็คเคยคิดมาแล้วเหมือนกันเลยเรื่องมัน ตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นเคยคิดมาปบางการคิดเอาจนนอนไม่หลับก็มีแต่คิดไปไปแล้วมันบุญวัฒนามีอ้าสร้างไปแล้วทำไปแล้วหน่อยหนึ่งก็ไปตายแล้วเห็นความตายขวงหน้าอยู่แล้วเอ้าใจมันฝปโหดเข้ามาโอ้แล้วจะดิ้นรนไปทาไมล่ะไปแล้วมันตายนะย แล้วจะได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรนะแถมก็ไปทำบาปก็ไปอีกบาปก็ฉุดข่าไปสู่นรกอบาอยภูมิตายลงไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรแล้วแต่มาถามตัวเองก็ไปเอา้ามันฝึกใจมายุติหลงความกระสันอยากศึกนะนะันน่ะอย่างนี้เนะี่ยท่านเผลอๆมันผลสร้างวิมานบนอากาศขึ้นมาอีกอย่างนี้นะ เอาไปๆก็อย่างว่ามันก็มีอุบายตัดร้อนความอยากอันนั้นลงสาเหตุที่มันจะสึกไห้ลงมาก็ อ, อย่างนี้แหละทุกคนก็ต้องมีอุบายรู้เท่าทันกิริยาอาการของกิเลสถ้าไม่มีอุบายรู้เท่าทันอย่างว่านี่ มันก็ต้องไปตามหน้าของกิเลสแน่นอนเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้ความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็เป็นความทุกข์ประจําขันใครๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ความทุกข์ย้อนเนี่ยเราสามารถระ ง, งับใต้หลีกเลี่ยงได้อืมความทุกข์ย้อนก็ความ ทุกเกิดจากตัณหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆนานาหมูนนี่นะของนอกกายหมู่นี่นะถ้าหากว่าภาวนาทําใจสงบลงได้แล้วมันก็ตัญหามันก็บาวางลงไปแถมถ้าใช้ปัญญา พิจารณาเข้าไปให้ละเอียดแล้วอภอไปอีกโดยเหตุผลดังที่ชี้แจงให้ฟังมานั่นอีกมันก็ยิ่งเบื่อหน่ายยิ่งคลายตัณหาออกไปได้มากอืมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะควรจะรู้นะตัณหามันไม่ใช่มันเกิด ไม่ใช่มันมีอยู่ในจิตใจนี่แต่เดิมมาแล้วไม่ใช่จิงอยู่หรอกอันเกามันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีกาลังต่อเมื่ออาศัยวัตถุภายนอกได้กระทบเข้ามาสัมผัสเข้ามาแล้วมันจึงเกิดมันจึงมีกำลังแก่กล้าขึ้นมาได้เช่อนอย่างตาได้เห็นรูป ที่โลกเสมมติว่าสวยๆงามๆอย่านี้แหละหลงสมมุติเขาแล้วก็เอาแล้วเกิดความอยากได้รูรปอ น, นันขึ้นมาไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของต่างๆวันนี้นะมันก็เกิดความอยากดิ้นรนกมวลกรวายขึ้นมาแล้วนั่นเ่ะเรียกว่าความที่ ไม่ได้พิจารณาความจริงของเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันทำให้เกิดความรักความใคร่อย่างรุนแรงขึ้นมาอย่างนี้ท่านเรียกว่ากิเลสจรมานี่นะมันจรมากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนั้นหน้าหมูนี่นะดังนั้นเราต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญา ทำความรู้เท่ากับสิ่งสัมผัสต่งางๆดังกล่าวมานั้นเสมอเสมอไปนะเพราะว่าเกมาแต่ตื่นนอนมาแต่ละวันตื่นนอนมาแต่ละวันซึ่งจะไม่ให้ตาเห็นรูปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ให้หูได้ยินเสียงมันก็ไม่ได้ ไม่ให้จมูกมันสูดกลิ่นก็ไม่ได้ไม่ให้ลิ้นมันได้รับรสอาหารก็ไม่ได้กายมันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ได้ไม่ให้ใจมันรับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็ไม่ได้อีกห้ามไม่ได้เลยอันนี้แต่ห้ามจิตได้อยู่ เมื่ออารมณ์เหล่านี้พุ่งเข้าไปสู่จิตจิตนั่นมีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตพิจารณารู้ทันทีเลยว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรน่ายินดียินร้ายอะไรเลยความจริงมีอย่างนั้นแต่มนุษย์เรามันไม่ มันไม่ยอมรับความจริงหมายความอย่ า, ายงนั้นเนี่ยแต่ดวงจิตนี่เนะี่ยมันไม่ยอมรับความจริงเหตุังนั้นมันจึงดิ้นโลนไปหลงรักหลงชังไปหลงเสียใจดีใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันผิดหวังถ้าได้สมหวังมากกว่าดีอกดีใจถ้าไม่ได้สมหวังก็เสียใจ เรื่องที่มันเป็นเกิดขึ้นในจิตใจอย่างว่านี่นะมันก็นื่องมาแต่บุคคลไม่มีสมาธิจิตเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพิจารณาอะไรไม่ได้เลยพอสิ่งเหล่านั้นกระทบมาในจิตวันไหวไปทันทีอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อจิตวันไหวไปทันทีนะมันก็เกิดกิเลสขึ้นแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะ่ะมันก็ต้องมีสติสมบทันยะสารวมจิตใจอยู่ตลอดไปสำรวมจิตใจเมื่อสำรวมใจได้ใจมันก็รู้เท่าตาหูจมูกกลีนกายเหล่านี้ไปพร้อมเลยเพราะว่าใจตั้งมั่นแล้วอย่างนี้นะ ตาเห็นรูปมันก็รู้รูปนั่นเลยรู้เท่ารูปนั้นไปทันทีว่ารูปนั้นก็ซักแต่ว่านี่เหมือน ก, นกันกับรูปนี้นะรูปที่เห็นด้วยตานั่นเหมือนกับรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่นะไม่แตกต่างอะไรกันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันรูปนี้มันจะแตกจะดับไปรูปนั่นก็เหมือนกันถึงมันยังเป็นอยู่ต่อไปมันก็จะแตกจะดับเหมือนกัน ไม่ใช่มันจะยั่งยืนอยู่ได้ที่ไหนหากข้อผู้ใดมีอุบายสอนใจอย่างนี้ได้มันก็ไม่หลงไหลไปในรูปเหล่านั้นแล้ว ก, ก็วางเฉยลงได้เห็นก็เท่ากับใจเห็นนบวันนี้นะไม่มีความรู้สึกผิดปกติแต่อย่างใด แม่เสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสมากระทบหูจมูกกลิ้นกายก็เหมือนกันนะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะให้พยายามมีสติสัมปชัญญะรักษาสมาธิจิตไว้ให้ได้อย่าให้จิตปันรกแวกอันจิตจะเป็นสมาธิอยู่ได้ก็เพราะ สติสปรมะจญญาเนี่แหละอาศัยคุณธรรมสองอย่างนี้นะประคับประคองไว้รักษาไว้สติแปลว่าความรู้สึกหรือความรู้ได้ก็เอาสติคือความระลึกนี่พุ่งเข้าไปสู่ความรู้อันนั้นนะ น้มความระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นนะฮะเนยแล้วไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่อย่างนี้นะสมบัติเชนญะก็รู้ตัวรู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่จิตไม่งอนแงนคอนแคลนไปไหนอย่างนี้ก็รู้เป็นหน้าที่ของสมบัติชัญญะหรือถ้าว่าจิตมันจะวันไหวอย่างนี้อ่าสมบัติเชญญะมันก็เตือนนะอ่า ต <c oughs> ะวันไว้ปไปทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สวยงามแต่ชั่วคราวไปๆมันก็ความสวยงามก็หายนี่เพราะมันของไม่เที่ยงจะให้มันสวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลยมันยังรูปกายมนุษย์เรานี่ลองสังเกตดูที่มันก็สวยงามแต่เวลายังหนุ่มยังแน่น ท่านอยู่ไปนานปีนานเดือนไปก็คำรุดทุดสมไปอ่มแต่เราก็ ร, รู้รู้กันอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรนะที่จะยั่งยืนอยู่ได้ที่จะยืนหยัดอยู่ให้จิตใจนี่เกิดความรักความใคร่สม่ำเส ม, เมอไปไม่มีอนะนี่แหละจิตใจมนุษย์ปุถุชนนะเมื่อ รูปนั่นยังใหม่ๆอยู่นี่ก็มีความรักดูดิึมคันพอรูปนั่นชำรุดสุบชองไปแล้วเบื่อแล้วได้ไหมนี้อ่ะละเบื่อเข้าไปแล้วอ่ไปแสวงหารูปอื่นไปอีกเดี๋ยวก็เกิดเรื่องเราทะเลาะวิวานกันเข้าไปหาความสุขสบายไม่ได้เลยนี่เรื่องของปัญหามันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะ่ะ ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องพี่ณาให้รอบครอบเลยให้หมดมูลเหตุที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นในใจก็เพราะจิตนี่แหละไม่รู้เท่าอายตนาภายในไม่รู้เท่าอายตนาภายนอกนี่พูดให้ได้ชัดถ้อยชัดคำลงไปไม่รู้เท่าปัญญามไม่รู้เท่าสัมผัส ที่มันเกิดจากตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะไม่รู้เท่าจากเวทนานี่เพราะว่าเช่นอย่างว่าเมื่อตาเห็นรูปพาแล้วอาก็เป็นรูปสวยรูปงามเกิดความรักใคร่ขึ้นมันก็เกิดเวทนาขึ้นอย่างนี้นะแล้วจิตของคนนั้นไม่รู้เท่าเวทนานั้น เราไปส่งเสริมเวทนานให้มากขึ้นความรักความใกล้มันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาอล้วแบบนี้นะการแสวงหานั่นมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากกว่ า, วาจะได้รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสมาบริโภคใช้ซ้อยแต่ผู้ที่มาได้พิจารณาใข้ควรแล้ว มันไม่ว่านี่ทุกกบยอมทุก อ, ะ, อะมันเป็นอย่างนั้นต่างนานเราทั้งหลายที่เป็นนักบวดเนี่ยมีบุญวาสนาบรารมีแก่กล้าสงวรแล้วจึงได้เข้ามาบวชได้มาแล้วอย่างนี้มันก็ยังแต่ใจยังไม่ห่างเราก็มาภาวนาเพ่งจิต ด, ดวงนี้เข้าไป ให้มันสงบระ ง, ง, งับลงอืมให้ได้มันก็ไม่เหลือวิสัยนี่ถ้าเราเห็นโทษของกิเลสแล้วนะมันสําคัญที่คนไม่เห็นโทษของกิเลสนี่แหละเห็นถ้าเห็นโทษของกิเลสว่ากิเลสเหล่านี้เนะมาปั่นจิตให้ฟุ้งซ่านให้เลื่อนลอยเป็นทุกข์เปอดร้อนเอาแล้วบันนี้เราจะสู้มันเราจะละมันเราจะไม่ยอมให้มัน คอบงามจิตใจนี่ตลอดไปอธิษฐานใจตั้งใจขึ้นอย่างนี้แล้วก็เพ่งจิตนี่ให้สงบลงไปจิตนี่มันจะสงบลงได้ก็เพราะอาศัยสติข่มมันลงไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่มันสงบลงไปเองอย่างสบายสบายไม่ใช่มันไม่มีทางหรอก ในเมื่อกิเลสมันยังเป็นมารหัวใจอยู่กิเลสนี้มันกลัวแต่คนมีสติสรรมะเสยะาท่านั้นนะ่